ึฝ่าละกาสิวตอดุจเงื้อจึงได้ตรงไปที่บ้านข้องกาลีเพื่อจะไปตากเอากาลีกับลูกให้กลับขึ้นมาอยู่บ้านด้วยกันเมื่อไปถึงแล้วจึงพูดขึ้นมานักปินคุณสวยโงกหรือเผคือร้องละไรยดงพ้องกาใจแก้วมาตั้งธรรมะยากไปเท่ากัสูนตายเมียนกัสวนที่ป้าเจ้าฟาง ผีหล่อขมาหาเน้่นั้นี่เป็นนัรเงิน่ลยเขานเปดูดูานว่าอย่หนมากลกลักกางินว่าแม่ไปจักรดการที่ไปไปไ่ไปไปไปไปไปไปไปไปไาจาไไปไปไ่ไปไปไไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปปไปไปไปไปไปไไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป สองพ่อเมียกลับไปบ้านไปเอาไฟไปล่อยให้ผู้พิญญานอนอยู่บนเชิงตะกรเมื่อญาตื่นขึ้นญาจะออกเกยเผยวาจาว่าอย่างไรนั้นน้องจิตใจฟังนิทานธรรมมะเรื่องบุญเหนือบาปรับหน้าที่ยายจันทีโดยพระอาจารย์ต้อยได้นักการประกาศนิเทิน บัดนี้โปรดติตามตออ่อเรื่องดำเนินเรื่องให้ทันการณ์ผลงาเด็ดพอกเกลอบนำนี้วมืออื่นันสิ้เอาเห็นบ่อยเห็นอันจอบนานะสรงเจ้าบ้าเข้าหองหองผลงาตาลกสิรูเคือเีย้อทอง พูเป็นยายสิเ ก, าก่าก่อนทัองบันนายายจำเพียร่างขึ้นฟันนาทั้งฟันติดปากตาฝันเห็นกาดเป็นโลกยางันในลงเป็นโลกเข่าหัฝักให้รอเคยเตี้ยนาเกือย่ามาหอดมื อ, อนี่สิออกเกลีกย่างน้อยแม่ย่านามันสิเป็นประ วโอยหม่องน้อนพ่พาขับเรื่อฟังก็เริ่มิไม่น่าสิบอกเลอึนนาได้จำเทีร้อนขึ้นฟันนาฟันเป็นปตาฝันเห็นกาเป็นลกงาำฝันเห็นหงเป็นลกเท้าเฮาฝักไทยรายตีนนาออกเทกหนังหวดนี่เราเก่หาหรือหมาหกนักเป็นน้องสวนหกเป็นหางนา เขานักไหนน้องอุบอดนาคิดบอออกสอบพอพอปันแล้วเราตึงอุ้มนาไปบอกเห็นซงสืด้วยมิอย่าไปลี่ยนทื่อะไรมึงสื่ออะ ตื่นจังว่าพ่อสอนั้นฝันเห็นหัวลงส่งหนามามันมงงกลางเกียงขิดหลานจันต่อยปวดบอบเีเราคุ้มแก่อนาพ่อสามนั่นฝันเห็นหัวกินแค่ของกินแห้แม่กินไข่นาสีไปทามน้ำพัวดำจังสิหัว ง, งั้นของนาใจทอว่า ป่านใดจางสิหอกมือเศ้ารักแก่ตอนคุมฝันนั้นสิเป็นประการในเรนงเอาขันใดรวมนา้ากิ้อโน่นผู้เรียนนานอนยงั้นคุณใจเรด้องปากือคำไปคำมาแมงกองขอนนี่ว่าปลองสาวคุกตุนนาข่าวนี้ไปให้คนอยากไลวกดขันเทรี ไปส่ตัวเธาไว้มน้าวยางนยายจันที่กาลึยไห้นความเสียใจบัดกรุงล้งนามารุยลุยสำบ่าแม่นี่เป็นที่ยงเคิดอยากพักก็สิริบ่ทำนารอกแล้งน้าน้าน้าโืบ โอ้นาถ้าเราคือผัวใจต่อตั้งนาเอาเมียมีดอกเป็นคู่ลงตูเตี้ยลงหมดเลยโค้งลงเตื้อเองนาจับหเรือเรือแมวจัแก้วรบแมเจ้าบยังฟังนาเมียวายาเป็นผ้าตัวเจ้าเคยตานาเมียเสียดา เดาเย้ำเขาหนาเสียกาวาผู้พ้องโจกกรบองทั้งเอื้องมาักระเรเข้าเรนมาใหญจันทีเรียนมุนตาน้ำไกดกอดตากระห้องหลวงป้าแจงแสงเดินนั่งก็ดตแหงเขปากเดอแหงอันนกตางอยู่ตื่นนเพื่อกรป ตนอ่อนสเด้อตัวขก้อเหียวซ้ทันเหียวเกี้ยวเท้าให้เขาตั้งเตือนน่ะเลยบอเห็นบังงทางสิบุกเป็นดันดอกไมเอยามน่ะท่านว่าป็นการพื้นกะยอมให้เสียพอว่าน่ะได้ยินเสียงบุกเขาหน่ะงเรือดไ้กองป่า วัยาเราเปลียนรอนานาสิ้นตัวเป็นมาเผาคบ่อยให้ราคือผตัวเตี้ยร่ากายก็ซ้สียงห้อยน้าแห่งรูปปาแยกใจหอยนํานาตาทังกันรุนแล้วกะโอ้ยใส่กันเป็นป่าน้าพวกลายเปนป่ากันดอกหัวรูปาห ชีวิตเออีตังแม่นุ่งคือกับคนที่ห้องอู่เดโนมาปากใดเลือดเลือสิสีงบังบังกระสงงกระมังนาว่าสร้างถุงเออาสาธุงเออพลาสร้างจุงอันบางนอกตั้งไรสัตว์มีผิดเพียพยายมาจะต้องไเป็นตะนุนนา เนิ่นเก่าฮักเว่ยปนใหญ่สุกโุกกาความตายเทียงนําหารัตอยู่ห่างออกเที่ยงไกลคือนั่นจนเทพาณาเอื้นนาคือนั่นจนเทาทั้งการตายไอรัสแบงไปปุนขาของแท้งในทองคาเกิดเหี่ยแย่งตันให้บอทกานนาเขาเอาจวนผู้ตายันแต่เผาที่กองฟันใหญ่ บุณยายจันทีดอกเล้าหลายเหลือเกนะินนบ่คาต า, บ, า, นะาบ่ไว้เมียนะป่งเอว่างบวดเอือนฉันจานต้อยเพื่อนอ้อยลนะคอยท่าพังองนะ้มสีเสืมซ่อนด อ, อกตอกอนาะเสียเป็นฝายจังได้นะันนะสัมถายขวานน้าท่าพังต้นตาไใส่เสียไม่รอดกี่ในนะา นีพพ่าไก่บไกยิงฟัง น, นี่ฮ เ, เจ้าหาวาสท่านต่อยว่าก่อนในภูมิสวรมค์นเอาละนอเพียงเดินขันต้อนบนบาปนาให้เสียหากะกตาท่าอนองโบรา เล่าเหตุผลความเปลี่ยนไปให้เขาฟังจึงย้งความสงสารให้เกิดขึ้นกับหมู่จวนไพรยอมให้ยายอาศัยโดยไม่เกี่ยงงอนแต่ประการใดก็มีในการรับผิีห <c oughs> ลังจากที่ได้มโน ก, กับกาลีใน้พา ก, กันหางย้ายันที่เพื่อว่าสิเงจะไปท่า เมื่อภากันถามไปแล้วกเ็เลยว่างแยกกันที่ไว้เทิ้งของข้อมุ่งหมายเมื่อหลังจากวางแล้วก็ทิพากันจุดไฟเผามานอบกันสีขาวม่จะของส่วนวานั่งการีกิีขาวมีามานอบจกเป็นกระเป๋าทางซ้ายกรโปี่ทางขวากี่มีฉีดไฟกเ็เลยคือพ่อว่าจะฟองรืมมีีดไฟไว้อยู่ทง นายมโนบาสิกับไปเอาให้กาลีถ่ายอยู่ปราสาทนั่งกาลีขยะบอกกล่า่นายนมานก็เลยบอกเฮกาลีกลับไปเอามโนศิทานานั่งกาลีขยะบอกกล่ากลับไปผู้เดียวสรุปเดียวกระเพื่อทั้งสองคนในผ้ากันในผ้ากันกลับไปปานไปเอาให้ขีดไฟยุ่งพอยุ่งแย่ยยยไปให้แยกกันที่เล่านาดใเถิงของฟันผู้เดียว พ่อแต่สองคนเนียพ่อกระด้างไปไปหอดตีบ้านก็เห็นไฟอยู่กองคว้านนู่นบึ้มบอยู่ยมพออยแม่สองวมเยไปเลื่อยบ้านย่ายจันที่นันตแล้วอาวัดนี้สิกาวถึงย่ายจันทีหลังจากที่นอนอยู่ทึ่งกองค้านพ่อเลิก่าจหน่อยยพอยู่แม่ทางมันลงวะเนี่ยปเท่าเที่ยวลำทางกับเมื่อ การภมิภาคกะเลยเมื่อข้ามไปข้ามาว่าจะขอมนังอยู่ทั้งแม่นอนขยมแนจะคอามนัอยู่ทั้งความคว้านเพราะด้ภูมิาจะขอามนั่อยู่ทังควา้นแล้วเลยปืนพกปืนากงม่านยุ่มพอยุ่มแม่หลังจากลงมาแล้วก็เลยไปดีดูโมใหม่มาที่สี่เก้าถึงโจรกลุ่มหนึ่งเดเผากันไปปนท่อมายนุ่มพอยุแมแย่ก็ะไรท่อมาหลายตึกหลังจากได้ท่อมาแล้วพ่อมาหอดมองคองฟคว้น อ่าแยกจันที่อาที่ขึ้นไปนั่นนะก็เลยพากันแบียกคล้องกันเพราะแต่แบงแรีวมันบารุ่งตูที่นี่แบงคล้อมกันเรียวมันมารุ่งตูก็เลยเรียขาจวนผู้นั่งตายกระเลยเดาจนผู้นั่งขึ้นไปเขาอยู่ทุ้งกองฟ้อนแยกจันที่ส่วนอาแยกจันที่น่นก็ะเตายก็เลยเดาเผาจนที่นี่หลังจากเขาแรีวกระเลี้ยวไปเห็นแยกจันที่ยึดภูมิอาดูภูมิใหม่ ก็เลยบอดแย่จันทีนนนมากระถามความเป็นไปกไ็เลยหูวา่า ล, ลูกใข่กับลูกไส้เสียมากาก็เลยจะเกิดเพิ่มสงสารก็เลยได้มอบท่องหายแย่จันทีนะ่ไข่แม่ยุ่มพอยุ่มแแม่มอบท่องหายแย่จันทีนะกระตาหนึงอาบ้านี้ยอดเก่าวถึงหายจันทีด้วยบุญกุศลที่เราเคยเห็เุเคยสังเคยก่อไว ราะวาสิเป็นจังหันจังเพิ่มพอนุมเมียราะวาสิเป็นอาเขาวัดฟั่งร้ำหรือวา่าอาจำเสียนมือฟั่งเสียนอาะวาสิเป็นอาช่วงเขาพันาธารินโบสดเล่ากรเห็ดอยู่ประจำแยกจันที่ราะวาสิส่างอุโบสด ส, ส, ส่างสารสาส่างกุฏิกรเห็ดอ่นเห็บเหนี่เราก็บรวมถ้า؛บุญ น, นาถูกจงังนี่แหละก็ขึ้นว่าเดียบบนอาอนิสงบญที่เาเคยทัางไปกรรมสอยเดือเล่าห่างกับกันยุพอนุเม อ่านี่คือบุญของย่ายจันที่เพป่ะจำว่าบุญเหนือบาปอ้าบาดนี้เซเรยอนกล่าวถึงกาลีกับฟัวบาตีเพราะเตือนมาย่ำมือเศ้ากาลีเตือนอดดลบอดดงอยู่ ด, ด, ด, ด, ด, ดีใจไหลเพราะ ม, ม่ไมยาเพิ่นไตยย่แก่เสด็บาตีอ้าบาดนี้ใ่้บานหลวงสติเก้า 9, กับกาลีได้บาตีย่อมพอย่อมมีอ้าม้าฟั่งมีท่านสืบตักวากาลี แม่จะเป็ียนยังไงเจ้าคือาข้าใจหายก่อนเอโอ้ยดีแค่ละนอตเมย์าตายทั้งคนเป็นใหญ่แล้วเมย์าตายแล้วว่าที่แมย์าตายแล้วเลียวไปแจริญเจริญผี่กะเปลี่ยนเป่าวาเปล่านู้โรกาว่าที่อะไรทําไม่สาไม่มาเนี่เทียนนังกันมันงที่นัก็นนักินหรกินที่เลีนก็เรียนที่ท้หากีนก่นกาดี เนี่ยเจ้าอาเียอกบก็ามไม่น่าตายลปกติเวียตายแล้วเอามันแม่นยุบออแม่นผู้ใหญมากเหมนันมันก็ไม่น่าเจ้าเทพเฮ้ยนั่นยุคกางรวประตูรุ่งด่อผู้เปิดประตูจน่เท่ก่อนุางประตูไปดเปิ่เอ้าเอเอาพ่หออีหยัคือช่งสีร่างงานไกอ๋อ้นแม่นีอ๋อเอาเขาก็่นาเจ้าคักคัท่่ม่ปก็จะต้อตายเป็นทีแล้ว มันยางดุดดุดองดงมากไพ่ยันต์ถาาเพิ่งที่เราไพ้หวยอย่างที่ส่งซินน่ะนะก็ไปเจอไหนมาเจอไหนไม่ยากเจ้าน่ะนะคุยกันเบอร์กาน์ด้าย่าเฮ้ยว่าจังเลยเกการลี่เจ้าหญ้าหญ้าจี๊สองมันยังอยู่ดิอาจจะสายาทายไปไปไปไปไปไปไปไป็ปไปไปไปไปไปไปไปี่ไปไปไปัปไปไปไปไปไปไปไปไป่ปไปไ่แลไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไไปไปไปไปไ่ไ ตายเป็นผีก่ครับแเราหันมันนะแต่หาวากลับกลายมาเป็นคนคือเก่าเสดิอาี่กันี่เพิ bun, õ, ่งเป็นอย่างเพิ่นเอาหอทอดําจนาปาเนี่ยใส่ใส่่บาะพี่นี่ยพายมากอยู่หมากอยู่อปาทอดหลีตัวนี้อันทุรศคือเขาทั้งเป็นการนุพิบานนี่เพิ่งให้กลับขึ้นมาเป็น้นคือเก่าเสดิเอาทอดทำหทอดล้วบอกว่าให่กับอกไม่กันอันทุรคือเขาทั้งเป็นนี่นะคือเขาทั้งเป็นเหอ แต่ว่าเพิ่ลใส่กับขึ้นมาติดเพราะอไรคือเกาตาของพี่บานเนอจารนีี่บานเปิใส่ทองแมนเปิ้ลทองข้ให้พ่อแม่เขาตายไปเอามเหมล่นะโอ้ยถ่ายยุ้งยนึ่นเลยโอถ่ายยงยุ้งยนึงาามยาวมากเลยหลายอาหน่อยนึงลูกไข่ไปเอาน้ำบ่หรลูกไข่เพเป็นลูกไข่แน่ยดีไปน้ำบ่าีาีเจ้าอยากได้บ่ารีโอ้ยเจอยากได้นท้องแล้วเนาีเยเป็นาหไตงใ่น ผู้ใดตายทั้งเปลีนเขาต้อเขาทั้งเปลียนสิได้ท่องอันแต่ี่พิบาเพันหักขึ้นความปฏิพฤติแม่เขาทั้งเปลี่ยนแต่ว่าเด็กลับมันเป็นคนคืดเข่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจออกหักเมื่อนี้ม่ให้กองฟ้อนไหม่ไปกันเดียวกันจะสิบพาไมล่ะังไอเฝ้าเรื่องท้องกระตาตีพระรานใช่รึฟังว่าเจ้ากวนถามนีงานขัดเจ้ากวนแม่นี่ดีกว่ไหมเงี่ยหุยแตแม่นั่นแหละนั่นอันลง นมันสิตัวท่องคำนั่นไม่ไหลเอาเจ้าเครื่องมาหน่อยเถอะนนะโอ้ยแม่กับมีคำนังซำนึ่งก็บมากสองหักกระต้างเท่านี้โอ้ยคำนั่งยุ่ยเก่งสิบห้าเข่งคุณแม่เพราะถ้าหายไปสิบห้าเข่งร้ายไปไหนกับต้องคำนั่งหลายธนเล่งถ่าการ์ดธนาเล่าเคื่องเสียมาเข่งเดียวคือเนี่ยไปแข็งนี้ก็เปเรื่องทเอาหลายเข่งได้เยอะกาดีมากานี อันพี่ว่าเดี๋ยวนี้นั่นแม่นเจ้าไปนั่นยางหมันเจ้ามาอะไรก็เกินสีเขตแม่นาฟาาาาไม่ากอันนี่สิอยู่บเอเข่งเทปจะไหนซีกที่ใดบอเอาจร๊กซี่การทเอาั๊ซี่นให้เจ้าสวนเม่นไงใบ้านปากงาไปนั่จักสามเออเพราะว่าเขาจะสวนลูกไผ่ละไผเอาไผ่ไปนั่งเนี่ยนี่เอาไผ่ไปนั่งเราเป็นต่วเงี้ยดีลราหายไว้าวเพื่อเพื่อ แล้วข่อยใหญ่เ่ปั่นหรอกแล้วข่อยใหญ่ส่วนเบ่งนอหน้าปีนกองก้อนฟ้าเ้าอ่าเอาเอาการในท้องที่ก็ประหารหอกการนเอาละพี่สไปเห็ดเดียวนี่ากานไปไปอเได้อะไราไปองฟ้าเอาากานี่เอ้ยสูนทหารอวอนที่อยู่รอกการนี่เออกอนสิไปสีมาน่านะการนี่เจ้ากระสังท่นเียบรหอยสติยะกสิไปกะดั จีซ wow ังไซงยุ่สร้ยังไงไปนวดแป๊บเดียวไปนวดเดียวแมังเป็นไปแป๊บเดียวมากแป๊บเดวสป็รง่าไปแป๊บเดียวกังกะล่าเห้เดยวมันไปังลาจรเนาะลาแต่ว่านี่จากกันเป็นตีเออว่าลาเห็มันเดือดรอยแต่ซังมันเดือดร่อยจังไปว่าดิกรัโค้ทักเืออยเอาซังสบายเลยนะมันนับัด บอกสั่งนะพี่มาหนุ่บเอ้ยน้องไปตามความหวังืะอยากไปท่องเกงก่อนเม่นกายห่อนกาส่วนยองีนะ ใด้หนังมาจีบทำมาจิต่ให้ไม่เนียนโอ้ยไม่ได้จีบนีบเขาบอกจีบอะไรเนี้ยแต่เพื่อเราว่าจีบมากว่าแฟนไม่ใช่ไม่จีบพี่าเนยจขอดีกว่อมากกว่าแฟนไม่ผูกพันเว่ามากกว่าแฟนไม่ผูกพันก็เลยไดชื่อว่าจิตก็ออร่าต่อสัเออใหฮักฉันทุกคนเดียวละ ยาเกี่ยวใจเฮือดถึงไปนั <S <S ่นอน่ทางเคยเดี่ยวไอ่หายเว่นาโมเคยเห็นให้อ้ายนางนะัเคยลงอาบน้ำคนอาาสะกายเดอพเดอ้ยสาวดเอิ้นเรียกส่่ะยาเกี่ยวดอกหมามัน ปันไรก็ให้รอรอคอยนอนนะสี่เอาท้องมาฝากนะรตรนจงนอนนอบุญดอกปีอ้วนเออ ไปอะไรทิ่มดอกแม่เราโทษนะปานนี้จริงๆคือพอดคุณนเพ น, น้อขันแม่เพน้อนบอกเอาท่วงบอกบอกไปเอาท่วงก็คือสีพอหักเพน้ อ, นอคือบนส้มนี่งใ ไปร่บางศิลาเบียนงานเบียนศิลา้เน้ล <te ars> สังกาถูกเล้า้ไศิลาไ้อกอเสียงรอกวอกวยอะไหวศิลายังขันกินจันศิลากู่ล ะ, ล ะ, ลละหัวศ <te ars> ิลากะจวนตาละคนตาฟังศิลาเมื่อเทือศิลา รอกอออรางรักศิลาจากกันนี้กาละนโนกาธาท้ากันสิหิางไร่รอกตาตูมมาปูมาริ น, ราดนดินเสีวสิลาดนรอกหอกศิลาจากนาวนาเศิรออิอนะอออนะผ้าห่มนว่งนะเมียบูเคยอยู่รวมมาสิไก่หางร อ, อกควัออนน เจริญรื่มหนาวเจริญรื่มหอนขอ้อนแหนแท้หน่อยละความมังมีอย่างเดียอยู่ในไทย น, นานๆอยากเครื่องหอนทุกระทมนะพี่เ อ, อ้ยพี่ถ้ า, าก็อนเมื่อลมใหม่พี่ส่งแรงใจละ ลูกก็ไว้นองสีลูกควงสีกัดฟันย่างรักสาบไหลหลังบ่ักแหนะเอวบ่คนงองบ่วงย่าลักบ้านบ่สีหลงบานบ่บราสิจวนหอยรองหอยหลงนะนาบ้านใดสีบ่้องนหรือว่าจอมใหมมันางนแม่ยางส คนเราการ ย, ย, ยนอนยอมเราต้นกันละ่าติบ้านกะสีฝ่าวสมหัวใจสีว่าแลนล่าว่าเจ้ายังเปลี่นเล่นนะเอาทองเธอนนี่ไกยน้องมอบถวายละขอให้นั่งไฟไอไปหลับเร็มนัน่งกรับนคิดว่ามันจิตกระมังยศสมบัติเปลี่นละไปหลับเรื่อยอยู่รังท่างะหลับเล ะ, ละ เหลือคนทางกะไข่บางลักต่างว่าผัวเมียนั่นเอาใจกันเสมอภาคนักกะซอยกันห้ามมาโบราเว่าอุรา่าฝว้ายเดียววะบ่มีไผ่โรกขดเขี้ยวน้องย้อมเสียงพอความมากรังร้อนอาสาสมัครใจตายเอินว่าคนดอกใจกาล่ง เกติปงสุมแนวหน้าประจันศึกสู่ต่อละถ้าหากขาดออโซล่าภูมิประเทศเกตบ้านถือเอาแย่งดอกแ้งไปละ พ, อะพ่อว่าความอยา่าไไลเห็นกับญาตยูเต็มตาละเล่าเอาหาว่ามีไหวพอกำลังลราเล่เาพองนาการีรังอาสานวง ว่าต้แท้ให้ทองมาักป่นไรพ่อโยธาล่ะเฝ้าเผ่านองแนล่ะไอ้บรรยายน่าเสียกัน่ะญาติคู่นู้จากนัอนเสียทางอ่าเกืองทางนั้นล่ะนั้น เ้าเฝ้า้าฝ้านปีบ้านกเ้าเผาเอ้าเขาเร็วเรวเร็วหาคนเดินหัวท่านเนีเอาไปก้อนได้่องหมนมเร็งปานจ้งนำหน้าบอสิเผาเดี๋ยวนี้ล่ะกาลีเอ้ยตั้งอกตั้งใจเอ้ยนลาเอ้ยไปแล่ากาลาได้หลายด้ท่องนะน้อพระใหญ่พวกพออกออกพวกพลังขังเทียดลำเดือกาลีเด้อ จากนั้นนายมานุกจึงจุดไฟเผากาลีภรรยานางโศภาร้องเสียงรัวพูดเป็นผัวบอกว่าทนทนท น, ทนร่างพี่ปนในกองเทิงเมื่อสำเร็จแล้วจึงกลับไปบ้านรอคอยภรรยาหลายคืนมันล่วงเลยไปคอยเท่าไรไม่เห็นมาจึงถามอานาไปว่าเนี่ ย, นน เ, ยเท่านี้ม่ประเนศาชื่อชื่แ กาดูการฝากก็ดีไม่เหน่อยเนล่ามากเลยอันบัดจะไปเอาท่อนกับเพื่อนจำรวารนี่เทวานีอ้ยนีเาไปหลนตไมแข็งมันไปสั่งที่อยู่ฝายนี่าข้นนักางผ้าเทียวเอ้าคตายงไตระบบปนี่เทนีคิดพอเขาหลายวารสันทภ์โอ้ยกะธรรมดาล่ะแม่เอ้ยคนเคยอย่น้ำแกนนัวกะกิมากะเน่ธรรมดาล่ะแมคือยกันทิพอดให้เขาดเอาท้าเอ้ยไปไม่กลับหลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มีหนีไม่พน้นแม่นี่ยังไอคิดเพื่องเอารลอดมากเหคิดหอดเขากรนถาพ้นต้นถาเขาอยู่าังสีล ะ, ละเดี๋ยวจนอยกาลี่กับเสียวท่องคํามาฝากเกดอกสาดหนาบุรทาเฮ้ยไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พนม<า>้นคนร้ายใจที <c oughs> ่หอดเขากิะโวดเอามากเนาะมากมากเล รับเจ้าขึ้นไปั้ำตาลนี่ห้านางนั่งมีไปทำไมอ่ะไม่ใจพวกไปห้วตางนี่ไปเอารพ่อ ไม่วมดตลาดเนี่ยต้องเรือก ตังว่าแรงลงคำสมาพยานนี้ล่าพว่าของค่อยเจ้าเพียมิ่งนามลาพ่อรู้จังความจริงค่อยเมื่อนั่นเมื่อนี้ละนั่นเขากระงมเงาเนื้อ ยืนเจ้าอยู่พุ่นแก่ไปยืนแล้วอยู่พุ่นกูผูกข้อจนเงี้ยนน้ำมีแต่ความอัดแนนล่ะพอปันบงังไฟแสนเป็นยา ก, กูรอกตีเทียนน้ำแนวว่าเมียเคยนอนเยียดป่นปกันเตะมือือใจหายสิการตายดี่น้อง ไคือกาตายรอไคยสิ้นฟันกรดิ่งคงรังเจ้า้างเก่เจ้าข้อสั้างนามลาพีตาฟังเราวกัมอยากยินคำเปลี่ยนความเก่าแม่นาปัวกาตายความกาลมีแน่แน่ไปบอกคาถะปอเฟือนในคื้นคงกับคืนนามลาพูเทเฟืนนาน รถถึงมีส oh, ko mm ันยิบพบจากในโอกาฝฟื้นน้ลาทางสี่คืนคือเข้าฟังพลังงานยากนีรำมันบ่าแมนมีสันยิบพาทั้งปินไฟกีร่างจุดปินกลางกระดวงกลางน้ำลาท้องโยใส่เรวลานองคือบ่าเต้าดอกคืนกคำสั่งไปเรยไปรำบาเต้าคืนดอกคือเบาหวานเรื่องทอง เ่ายังสงสัยมู่ที่รักเราตายหีเสียขึ้นมาได้ว่าเป็นต่เงาบางแห่งยันน้ำคำทนยาเก่าแจ้งกสิเมนคำเทลเพื่อประเด็นโซนิสัยสวงใจจาคำแก่น้ำและํำเราจะยาก สาวครังตายไวเสน้นน้าลาคือโบราณเป็นว่าอันตรายสร้างเป็นตัวรันก็่เราตายเนินน้ำลาเดี๋ยวนี้ต้นพวยหัวแรียกว่าเมื่อมีทางนา้าเออเดี๋ยวนี้ต้นพวยเอันน้เออเดี๋ยวนี้ต้นพวยหัวแล้วว่าบม่มีทางแม่เร อเสงยนขามกาบมีระคั้งพอน้ำสามคข่อยอที่ไตแหงบอกมีวันวาสี่งนําลาคือไข่พี่อยู่ในลุงไว้เฟือนกะบ่เฟือนใน็ตขึ้นพงกะบ่เมีย้งนนําลาพ่อกันที่เรื่องไม่น่ากบลัวไปทําให้เกิดปัญหาสวรรค์ตาเพ่งพี่บอกไข่ยพิ่มรังนํา ลาเนว่เดินทางคนลาเสียนม่เห็นกันว่าโดยไงน้ำและนางอยากให้หาายาไตกะลื้ไตก้อนซ้กัำนั้นแพ้ต่อต้บนเน้อ ขึ้นสกองไต่หงโปแนวรา้ันใจสว่างกว่าสายน้าลารู้ความหมยเพ่งแล้วลักความแต่ยังคุณนทุนนาำบากบอนชนะบนบนบำบักแมวลราไปขึ้นสู่ต้องไปรัาห้ย ลาปราซาเ่ากะบังบ่ติเม็ดดอกติมห้วงความกระจุมฟังยาสิจำรเอเก่าอย่างนา้ำจวนตาแข็งเหมืงกองเขากงพุทธทุตรไนนปเฮานักอันคนเท่ารอคุณแก่เปียกเหมือนผมแก้วอย่าหม่ร่างก็ต้องผ่านเอาน้ำสิเป็นมืงเป็นบ้านละคุณแกร่รอภาแป้งห่อสิจังถึงจุดฟองประเพรนี้ กนอนฟุ้คนเท่าละก พ, พาตั้มดอกพาแตงไปปล่อยแสงผู้เท่าระไกรแล้วปากซื่อเหมือนเงินน้า ลาบานมันสวยเรียกเป็นในตมแต่สิมันเหงาสามีปัญญากันญาติญาติยามมาส่งเท่าราลาพนเป็นพ่อแม่ฮู้อยากพันพุ่มเทฝ้าเป็นกูบาพุ่ที่หน้ำลาเหาสิหูวเลือกซึงลาปวดคนคนพ่อแม่เหาเอ็น <c oughs> น้ำลาปวดงานเดืยดลูกเต่าะไรยังบ้านอดถึงกู โอ้ยโอ้ยว่าตาเดียนลูกตาลยนังว่อารถึงคนบาเรือบนว่ทานเนเมื่อรฟังเสีตาแย่น้ลาฟ้ามียเพงแพียเลี้ยงขนมมาจนว่าไนรัลาฟังแล้วจาใสใจจะลุกขุพ่อมยเลี้ยงให้จำไอ้หนำ เพ่อสิริเฉริมฉลองนงานอาุนแก่ขอนมนี่านอา ต, อ ม, ออตอมาทั้งามบุกส <c oughs> มองค์เจ้าอัวปล่าเจ้าไว้อาตมาทั้งสบุกสาองค์กรสร้อยกันประับประองอนในการเทรนในมรอนี่เายมพเม่อเรื่องคุณเนื้อบา่าเพื่อนตัวตายเมญาหาบข่ง สะเพหาทานแม่บอกบอกแม่บอกอธิบายน่อมพอยุเมียพิรำพูนังฟัาพื่อจใจเักเพื่าน้อมี่าธิย่อมพอแุเมียได้ทำในมือนี้จงมาร่่มกันเป็นตรากูชาติภารบาปใจอาบกปรกษามีภวันทั้งหลายอาตราดจนควบว่าลูกหลานทุก่ันทุกคนจงประสบแต่ความสุขเพื่อเิญเจ่ิไปด้วยอายุ วัฒนาสุขาภลาปฏิพานธนสารสมบัติจงทุทันทุกคนเถอสาตว์ไมเมื่อหันตัวนาช้างเขา